น, นี้จะเริ่มแสดงธรรมขอทุกท่า น, นตั้งความสนใจดูเฉพาะหน้าคือมีความรู้สึกอยู่กับตนไม่จำเป็นต้องส่งจิตไปที่อื่นเช่นส่งมหาผู้เทศเป็นต้นจิตที่ตั้งไว้ด้วยดีแล้ว ธรรมะจะเข้าไปสัมผัสในความรู้ของเรานั้นโดยลำดับลหดับจิตเมื่อทำงานรับรู้อยู่กับธรรมโดยสม่ำเสมอแล้วจะได้รับความสงบเจนใจในขณะที่ฟังครั้งพุทธการปรากฏว่าขณะที่ฟังเทศพุทธบริษัททั้งหลายได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน เป็นจำนวนมากทั้งๆ ท, งที่ท่านก็คือหูคนใจคนบุศกับคนเหมือนเราต่างคนก็ต่างเป็นคนด้วยกันแต่หนึ่งว่าหูท่านไม่ใช่หูมนุษย์ใจท่านไม่ใช่ใจมนุษย์ผู้แสดงธรรมก็ไม่เหมือนไม่ใช่มนุษย์ ทั้งๆที่ทนาหลักทมคำสั่งสอนอันเป็นความจริงออกแสดงเช่นเดียวกันตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แต่ท่านทำไมถึงสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นลำานับจึงได้จารึกเอาไว้ในตำรับตำราให้เราทั้งหลายได้ศึกษามาจนกระทั่งถึงบัดนี้อันเป็นความจริงเช่นเดียวกันกับธรรมทั้งหลาย ที่ประกาศไว้ในศาสนาธรรมหูของท่านกับหูของพวกเราเป็นอย่างไรจรึงผิดแปกต่างกันใจของท่านกับใจของพวกเราเป็นใจเช่นไหนท่านฟังเทศจึงเข้าอกเข้าใจเราฟังเทศไม่เข้าใจท่านฟังเทศได้รับผลจนปรากฏว่าส ำ, สำเร็จมักผลในขั้นนั้นพวกเราทั้งหลายฟังเทศ สำเร็จอะไรกันสําเร็จแต่ความง่วงเหงาเฮานอนสําเร็จแต่ความฟุ้งซ่านลาคาญสาเร็จแต่ความเผลอเรอภายในจิตใจอยู่เสมอสิ่งที่ได้รับจึงมีแต่ความบ่นเพ้อให้ตนเองว่าจิตไม่สงบบ้างตางเทศไม่เข้าใจบ้างถ้าตนไม่ได้ทำความเข้าใจกับตน การทําทความเข้าใจกับตนก็คือให้จิตอยู่กับตัวของเราเองในขณะที่ฟังการฟังธรรมก็ดีขึ้น อ, อยู่กับความสนใจใกล้ต่อผลที่เป็นทึงปราถนาเวลานำไปต่อพฤชปฏิบัติ ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดีมือสติอยู่กับตนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้ามีนจะเต็นกันหนึ่งขึ้นมาแล้วนั่นหนึหายเงียบนี้ว่าไงโอ้ทำเสียเวลาเปล่า เริ่มการใหม่จบประกันหนึ่งแล้วเนี่ยเริ่มการใหม่จะไปโลกไหนก็ไม่ทราบเลยแต่รงไปในโลกมนุษย์เราโลกอนิจจังทุกขังอนิตาอนัตตานี่ลยในขังพุทธการเมื่อได้อ่านการตำหรับตำรา รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ทั้งเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งเรื่องของพ ร, ระสาวกอรหัน์และพุทธบุญจักทั้งหลายมาสมัยของพวกเราทั้งหลายนี้ไม่ค่อยจะปรากฏอย่างนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่ทำครอบเป็นปราคากธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไว่ชอบแล้วเลื่อยมาจนกรทั่งปัจจุบัน ความที่เป็นเช่นนี้ออก็ขึ้นอยู่กับความสนใจไถ่ต่อธรรมและการประพฤติปฏิบัติธรรมมีความย่อหย่อนต่างกันอยู่โดยไม่สงสัยเราจะเห็นได้ในขั้งพุทธการเช่นพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเสด็จออกทรงพนวดออกปรากฏว่า ออกอย่างเด็ดเดี่ยวอาภานซึ่งไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ท่านเลยนสัษั์บริวารมีมากน้อยเพียงใดไปเ่ฟ้าประชาชีมีจำนวนทั้งแผ่นดินทรัพย์สมบัติทั้งประเทศอยู่ในความรับผิดชอบของพระองค์เองแต่ขณะที่จะเสด็จออกทรงข้านวดแม่แต่พระชายา พระราชโอรสก็ไม่ทรงอำลาเสด็จไปลำพังพระองค์โดยมีฉันน่าอมตะเป็นผู้ตามเสด็จกับม้ากันพระกาศเท่านั้นความเด็ดเดี่ยวนี้ได้ปรากฏตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่พระองค์ท่านออกทรงขนวดเวลาเสด็จเข้าไปสู่สถานที่บำเพ็ญ เป็นนักบวชนักเสียสละเข้าสู่สงครามแห่งความทุกข์ยากลำบากทั้งพระกายและพระไทยตลอดถึงกิเลสที่ลึงนักอยู่ในพระไทยของพระองค์ย่อมเป็นความทุกข์หนักอยู่ไม่น้อยการบำเพ็ญพระองค์ในพรรมละกะสัต์ ลงสู่ภาวะแห่งคามเป็นคุณขอทานนี้รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่บุคคลทาได้ ย, ยากอย่างยิ่งแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินมาแล้วอดพระกาหารก็ถึงสี่สิบเก้าวันใครบ้างจะสามารถอดได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเพียงวันหนึ่งเท่านั้นก็ มองเห็นใ บ, ใบไม้ใบไม้สดใบไม้แห้งกลายเป็นผักไปหมดเพราะเข้าใจว่าเป็นอาหารเนื่องจากความหิวโหวยบางคับสำหรับพระพุทธเจ้าในครั้ง น, นั้นาศาสนาไม่ปรากฏแม้เช่นนั้นก็ได้อุตสาห์บำเพ็ญพระองค์โดยไม่มีคำลดละขอถอย มีความทุกข์ความลำบากทั้งสถานที่อยู่บัดกัยทั้งสี่คือเพื่อนุ่งห่มอาศัยบินธมาตเสรนาสนะตลอดทุงยาแก้โกครคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่มีอันใดติดพระองค์ไปเลยและอยู่ในสถานที่เแทนแท้กันดานอีกด้วยก็ทรงบำเพ็ญไปตามสภาพทัง ความกันดาลมันมั น, มนสมกับพระองค์ท่านเป็นนักรบกท่านเอกที่จะนำสาสตว์โลกออกวัตถของสารให้ถึงพระนิพพานมินทรงบาเพ็ญจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาความอัศจรรย์แห่งความภาคเพียรไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าเวลาได้ตรัสรู้แล้ว ธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นอันเป็นธรรมอัศจรรย์นั้นก็ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทั้งสามนี้ได้มนุษย์ได้จักส ร, รู้เหมือนพระพุทธเจ้าในขณะนั้นซึ่งเป็นครั้งแรกสารธรรมเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ในขณะที่จักส ร, รู้แล้วทั้งๆที่ทรงปรารถนามาเป็นมิรานานว่าจะเป็น ศาสนาสอนโลกแต่เมื่อได้กรัสรู้แล้วทําให้ท้อพระไทยในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกเพราะทำที่ทรงรู้ทรงเห็นประจัดแจ้งในพระทัยนั้นเต็มธรรมอัศจรรย์เนื้อโลกหัวสงสารที่ใครๆจะสามารถรู้ตามเห็นตามได้เกิดความท้อพระไทยที่ทำความข้องข่วยน้อยอยากจะแบบไปเสียเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น แต่เมื่อได้ทรงพิจารณาย้อนถึงปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นพระองค์เองได้ทรงได้รู้ได้เห็นเพราะเหตุใดก็เพราะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเมื่อดําเนินให้ถูกตามแนวทางแห่งความจริงแล้วก็ย่อมรู้ได้ดังที่ประจักษ์อยู่ในพระไตยก็เมื่อนําข้อปฏิบัติ แนวทางอันดีงามคือแนวทางอันถูกต้องมีสั่งสอนสัตว์โลกทําไมสัตว์โลกซึ่งมีความรู้สึกเช่นเดียว ก, กันกับเราจะไม่สามารถรู้ได้ถึงได้ต้งมีแต่พระไทยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกเพราะอํานาจพระเมตตาเนื่องจากความอรัจรรย์แห่งธรรมใ้เกิดกระความสงสารสัตว์โลก โดยที่ทรงเห็นว่าปฏิบัติธรรมเครื่องนำเนินมีอยู่กฎหมายประทางที่จะพึงถึงจึงได้รับนั้นก็ย่อมมีถึงไรงพระพทยที่จะสั่งสอนสาต์โลกมีเบื้องต้นพระองค์รู้สึกจะมีความเห็นเช่นนี้ท่านต่อมาก็ ปรากฏว่ามีท้าหมาพรมมาราธนาวัตรพรมมาจโลกาอันนี้เป็นส่วนภุกราทิฐานส่วนธรรมาธิฐานที่จะยังพระองค์ให้ประทานทำแก่ปัดโลกนั้นได้แก่พระเมตตาเป็นสิ่งสำคัญความเมตตานี้เป็นสิ่งที่อ่อนโยนอยู่ภายในจิตใจอนนานาจแห่งความเมตตามีมากน้อยเพียงไร ยอมสามารถที่จะทำผู้นั้นให้ประพฤติตัวแก่หมู่ชนหรือบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุนกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันได้เป็นอันธนิกด้วยการปฏิบัติต่อสัตว์โลกด้วยกันพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระไทยของพระองค์มีความสว่างสวัยและมีความเมตตาเป็นกำลัง จึงไม่ประทานทำแก่สัตว์แก่สัตว์โลกแม้แต่สัตว์ดีฉางที่ตังสอนเขาไม่ได้เนื่องจากเขาไม่มีความสามารถที่จะรับทราบกระแสแห่งคำเก็ตามถ้าเมตตาเข้าไม่ทรงรุนละจึงเป็นอันว่าท่านผู้มีเมตตาจิตล้วนๆแล้วย่อมสามารถเข้าได้สนิทกับสัตว์ทุกๆประเภทโดยไม่ถือค่าฐานมันลนะว่าสูงหรือต่ำประการใด คนเราเมื่อมีความเมตตาต่อกันก็ย่อมสามารถจะทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นประโยชน์แก่กันเราจะเห็นได้เช่นเราเลี้ยงลูกลูกทุกคนมีพ่อแม่มีความรักเช่นเดียวกับชีวิตของตัวเองลูกจะแสดงอากัปกิริยาเช่นใดก็ตามแทนที่จะผิดอกปิดใจให้ถอดถอนการเลี้ยงดูนั้น อันไปเสียหรือเปิดครังกดแทนทนอดอะไรในการเลี้ยงดูเด็กๆนั้นเสียก็เป็นไปไม่ได้เพราะอำนาจแห่งความเมตตาสงสารบังคับอหู่ใต้ใ น, ในใจิตใจลูกจะทําอะไรก็ตามแม่ที่สุดทายลดลงไปตามมือตามตัด ก, ก็ตามพ่อแม่ก็ทนเอามีเพื่อความเมตตาเป็นสิ่งสําคัญความสูงสารความเมตตาคือความอ่อนโยน จิตใจของเราเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องอบรมอยู่เสมอแล้วย่อมมีความอ่อนโยนต่ออัตอธรรมต่อเหตุต่อผลต่อความประพฤติอันดีงามตลอดถึงมีความเข้มแข็งต่อการประพฤติปฏิบัติตนไม่ย่อท้อ อ, อ, อ, ออ่อดแอก็เพราะจิตใจที่มีธรรมเป็นเครื่องสถิตหรือมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยธรรมจึงเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการ อยู่เสมอมาทำจึงไม่เคยขัดข้องไม่เคยลวงความเจริญไม่เคยทําการจีดขวางให้เกิตัดไม่เคยตัดรอนวัฒนคือความเจริญของโลกที่ต้องการโ ด, ดยถูกทาเลื่อยมาจตกระท่านถึงปัจจุบันเราท่านทั้งหลายอยากจะเห็นความอ่อนโยนความนิ่มนวลความอัศจรรย์ความมีคุณค่าของจิตใจเือ จึงควรปฏิบัติต่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยครับด้วยความซาบซึ้งภูมิใจง่ายตัวด้วยฉันทะคือความพอใจในการปฏิบัติวิริยามีความภาคเพียรต่อการปฏิบัติของตนอยู่เสมอจิตต์มีความตั้ไปเอาใจจดจ่อต่อการประพความประพฤติของตนหรือการนำบำเพ็ญของตน มีมังสาคื้แค่ควรในเหตุในผลดีชั่วต่างๆที่จะคุนกระพฤติบัติหรือกระทาลงไปอย่าให้ผิดพลาดแล้วเราจะได้ชมเราจะได้ชมศาสนธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้เป็นเวลานานตามคำภีบรลานหรือตำหนักตำาราใดๆก็ตาม จะมาปรากฏตัวที่ใจของเราผู้มีความภาคเพียรนี้โดยไม่สงสัยใจนี้เป็นของประเสริฐโดยหลักธรรมชาติก็รู้อยู่สม่ำมโดยสม่ำเสมอแม้จะมีอันใดมาทับผมโจมตีขนาดหนักมีความทุกรอ้รอนเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาอาชวะครอบงำจนมิชิดขนาดใดก็ตามแต่ความรับรู้ของใจนั้นกิเลสจะไม่สามารถบังคับได้เลย องมีความรับรู้อยู่เสมอมีหลักธรรมชาติของใจก็มีความรับรู้มีอำนาจหรือเป็นสิ่งที่แปรผันหลากหลาสิ่ขทั้งหลายอยู่แล้วเมื่ออาศัยการบำเพ็ญให้จิตใจนั้นได้รับคุณงามความดีเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นอาหารเครื่องหลอเลี้ยงตนเองอยู่เสมอแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆใจที่มีความตัดข้องยื่เยิงใจที่มีความกลมุ้มมัว ใจที่มีความเดือดร้อนแก่ตนเองอยู่เสมอนั้นต้นแล้วตั้งแต่เป็นผลของกิเลสเป็นเครื่องทรมาน จ, จิตใจไม่ใช่ธรรมถ้าทําแล้วจะไม่ยางจิตใจของคนให้เดือดร้อนเราต้องการความจริญทายในจิตใจเราต้องการกความสุขความสบายทั้งปัจจุบันและอนาคตตลอดวาระสุดท้ายคือสิ้นพบสิ้นชาติไปได้ก็ ก็ อ, อาศัยทำเป็นเครื่องบำบุงจิตใจเราแต่ละท่านละคนมีความลับผิดชอบในตนอย่างแยกไม่ออกจะเป็นคนทุกข์คนจนคนโง่คนฉลาดเกิดในชาติชัน้นวรรณะใดก็ตามควารลับผิดชอบของคนที่จะเป็นไปในอนาคตตการข้างหน้าหรือปัจจุบันนี้ย่อมมีเสมอกันเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงควรใค้ยควรให้ดี ก่อนที่จะทำอะไรอันเป็นพิษภัยแก่จิตใจของตนทั้งเป็นเป็นพิษภัยต่อภบต่อชาตในอนาคตของตนแล้วถึงระวังด้วยดีหลักธรรมะคำตัางสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทสอนให้คนมีดำเนินตนเพื่อเป็นสรีมมงคลแก่ตนทั้งปัจจุบันอนาคตทั้งนั้นไม่มีธรรมบทใดที่จะแสดงเป็นฆาตศึกต่อจิตใจของโลก ผลมากของเราเสียเองเป็นค่าสุดต่อเราการจะทํำกุงามความดีย่อมมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระซิบขึ้นมาให้เราเกิดความท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสกลัวว่าเราจะผ่านพ้นอนํานาจของเขาไปเสียเขาก็ต้องพยายามเกี้ยกล่อมโดยวิธีต่างๆแล้วสุดท้ายก็ตกอยู่ในเนื้อมือของเขาด้ว่อยไป การตกอยู่ในเงื้อมมือของกิเลสนั้นผลนจเปตนอย่างไรก็ได้จากความปิดใจเจ็บตายความทุกข์ยากลำบากกิเลสร้อ ย, ยละยู่ทั้งวันทั้งคืนซึ่งไม่ใช่ของดีเลยพระพุทธเจ้าท่านรงพ้นทุกข์ไปได้นั้นเพราะความภาคเพียรตามมาลีท่านกล่าวไ ว, ว้ว่าวิริเยนะทุกขธรรมเจติคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะความภาคเพียรเท่านั้นนี่ควรจะ ฟังให้ถึงใจทำอะไรก็ตามถ้ามีความภาคเพียรแล้วสิ่งนั้นๆย่อมมีผลเป็นที่ถึงพอใจแต่ถ้าขาดความเพียรไปเสียผลก็ด้อยลงโดยลาดับการทำความเพียรทางสายาพุษสนคือความดีสำหรับตนก็เช่นเดียวกันให้เราทำความรู้สึกไว้กับเราเสมอท่านว่าโลกไม่เที่ยง คืออะไรไม่เที่ยงให้ย้อนเข้ามาถึงร่างกายและกระแสของใจเรามีเร็นสง่งที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดและจะรู้ได้เห็นโทษเห็นคุณของตัวเองคำว่าโลกไม่เที่ยงก็ได้แจงร่างกายของเราทุกส่วนไม่เที่ยงยร่ยแย่อข้อควรอยู่ตลอดเวลาต้องพายืงพาเดินพานั่งพานอนพาขับถ่ายรับทานอะไร ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันอย่างตั้งแต่วันตุบัติขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัตรนี้และตั้งแต่บัตรนี้จนกระทั่งถึงอวสานอย่างชี่ิตจะมีแต่เรื่องของธาตุของขังนแต่สกลนาการนี้เป็นเครื่องรบกวนให้เราได้รับความทุกร้อนอยู่เสมอนี่นี่แหละสิ่งที่เต็มภัยต่อเรานี่อยู่ในกองอ น, นิจจังอันนี้กองทุกขังอันนี้ กองอนาตา น, นี้ให้ใช้ปัญญาทนิพิจารณาการภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเห็นผลประจกักษ์ใจเริ่มต้นก็มีการลงลุกทุกครานเป็นธรรมดาเหมือนกับเราฝึกงานต่างๆตามทางโลกทางสารที่เคยทำกันมายอมมีผิดบ้างถูกบ้างสับสนกันไป ่เวลาทําไปนานๆเข้าก็าเกิดทรทมนี้ทํานานและทําไปได้โดยสะดวกสบายผลก็เป็นที่พุงพอใจก า, ารภาวนาก็เช่นเดียวกันพื้หฐัดเบื้องต้นกขย่อมมีความยากความลำบากแต่เราอย่าถือความยากความลำบากมาเป็นทางเดินจะทําให้เราพ้อถอยอ่อนแอเราต้องถือหลักธรรมเป็นทางเดินคาว่าหลักธรรมคืออะไร อันใดที่จะยังผลให้เกิดขึ้นแก่เราในทางที่ถูกต้องมีงามอันเป็นมีผลเป็นจุกให้พึ่ตงตามความอุตสาหพยายามในกิจการมั่นมันจนกระทั่งเป็นผลสังเ็จขึ้นมานี่แหละคือทางดำเนินของผู้จะบทเครื่องตนให้พ้นจากทุกการนอนจมอยู่ในวัตาสงสารนี้เราทั้งหลายก็เคยเป็นมาด้วยกัน ไม่มีใครยิ่งหย่อนต่วกันและมีใครบ้างนะครับความสุขความเจริญพอที่จะมาพูดตวจกันบ้างไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นศาสนาจริงไม่ได้เกิดขึ้นด้วยวิธีการของผู้มีชีเิตทั้งหลายเต็มอยู่ทำกันอยู่นี้แต่เกิดขึ้นจากท่านผู้รู้ผู้เห็นทั้งโทษทั้งคุณแทน ความเป็นอยู่ภายในร่างกายจิตใจของตนเช่นชาติพิตุขาชราพิตุขาเป็นต้นนี่เป็นโทษอันหนึ่งคือความเกิดนี่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความยากความลาบากต่างๆเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดคุณนั้นได้แก่การที่จรนาให้เห็นโทษแห่งความเป็นของเราที่เป็นมาอย่างนี้แล้วอุสาพยายามบาเพ็ญตน แห ว, ว่าหตนไปด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ร้นละผู้นั้นย่อมจกเป็นผู้หลุจคนจากบ่วงแข่งมานซึ่งมีอยู่กับใจของตนไปโดยลำาดักการปฏิบัติศาสนาอย่ามองข้ามตนเราอยากคิดไปทางโน้นทางนี้ไม่มีผู้ใดที่จะพูดได้ถูกต้องแน่นยาเหมือนคำพูดสองพระพุทธเจ้า ท่านจึงเรียกว่าสวั ข, ขาธรรมคือตรัสด้วชอบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฝ่ายเหตุป่ายผลคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ถือเป็นประมาณเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจเป็นที่ไว้ อ, อกไว้ใจได้ตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนกระ ท, ทั่งถึงทำอันสูงสุดคำพูดนี้แหลเป็นคำพูดที่ รับรองหรือยืนจันว่าเป็นคำพูดที่ถูกต้องแม่นย้ำได้จริงไม่เหมือนคำพูดของคนในโลกไม่ว่าใครก็ตามซึ่งพูดไปตามอารมณ์ของใจไม่ใช่พูดไปตามหลักความจริงที่ตนรู้ตนเห็นจึงมีความผิดแปรแ ต, ตกต่างกันกับคำพูดของพระพาาุทธเจ้ายี่ถ้าเราคำนวณแล้วก็คำพูดของพระพุทธเจ้ า, านั้น นับไม่เพียงพอประมาณก็ถึงแปด0มื่นสพันถ้าทำมาขันแต่ทำบทใดบ้างที่พระองค์ท่านได้จับไว้แล้วได้ผิดพลาดจากหลักความจริงเป็นเครื่องชุดล่าสัตว์ทั้งหลายให้มีความลาช้าต่อการดาเนินเพื่อมรคผลนั้นๆไม่ปรากฏทำบทใดก็มีแต่ชี้ช่องบอกทางเพื่อกดเพื่อสิ่งที่เป็นข่าสึบภายในตัวของตัวเองให ไดยผ่านพ้นไปโดยลาดับเท่านั้นท่านผู้ต้องการเห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ของศาสนาอันเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์มาดั่งเดิมปรุณาทําการอบรมจิตใจของตนด้วยบทธรรมบทใดบทหนึ่งดังที่เคยได้อ่านได้ยินได้ฟังมาแล้วลการภาวนานั้นท่านทําอย่างไร ภาวนาแปลว่าการอบรมอบรมจิตใจของตนที่มีความคิดปรุงต่างๆอันหาประมาณไม่ได้ให้เข้าสู่เหตุสู่ผลสู่อับสู่ธรรมคือความสงบร่มเย็นโดยรังาของใจมีความรู้อยู่รอบตัวแต่จับตัวไม่ได้ ว่าจุดไหนเป็นจุดผู้รู้ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้นําบททำบทใดบทหนึ่งมาเป็นเครื่องยึดของใจเช่นพุทธโธเป็นต้นให้กหําหนดคําบริกรรมว่าพุทธโธนั้นเป็นอารมณ์ของใจมีสติประคับประคองอยู่กับงานของคนที่ทําคือทําบริกรรมนั้นๆ เมื่อจิตได้มีหลักยึดมีอารมณ์เป็นเครื่องยึดยอมจะสงบตัวเข้ามาสู่ความสงบคือเข้าสู่จุดนั้นเมื่อเข้าสู่ถึงจุดนั้นแล้วแม้คาบริกรรมว่าพุโทโธนั้นก็ยอมจะสลายตัวไปเหลือแต่หลักธรรมันแท้จริง <c oughs> คือหลักธรรมะธาตุได้แจ่ใจผูผู้รู้นั้นที่ปรากฏอยู่ภายในตัว สงบตัวเข้าไปเป็นอารมณ์อันเดียวคือมีความรู้อยู่เพียงเท่านั้นนี่ท่านเรียกว่าเอกะคาตาจิตจิตถึงความเป็นหนึ่งคือไม่มีสองกับอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้การธรมรมดาของจิตจะปล่อยให้มีความสงบร่มเย็น และเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นโดยลาพังนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยการจึกผลอบรมด้วยวิธีการต่างๆ ต, ต, ตามแต่จริตปไสัยที่ท่านแสดงไว้ในธรรมเริ<ด>่มีความสงบยืนขึ้นมาในขณะที่ใจมีความสงบนั่นแหละเป็นขณะที่มีความสุขโดยลำดับมีความสงบมากเพียงใดก็ มีความสุขมากและปรากฏเป็นธรรอัศจรรย์ขึ้นมาภายในตรงได้แก่ภายในใจถ้าเราถ้าใจไม่มีความสงบเลยนับตั้งแต่มันเกิดจนกระทั่งถึงกันตายเราจะไม่ปรากฏว่ามีความแปลกประหลาดอันใดปรากฏขึ้นภายในตัวของเราจะเข้าใจไปเสียว่าสิ่งที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ทั้งหลายนั้นดูแต่ภายนอกเพราะฉะนั้นกิจจริงฟุ้งเฟ้เหินเหิไปตาม วัตถุอารมณ์ต่างๆโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของดีแล้วประทําจิตใจให้เดือดร้อนแต่ตนโดยไม่รู้เพราะสิ่งนั้นเป็นแต่เคพื่อนอาศัยเป็นบริวารของใจถ้าใจทนาดถึงนั้นก็เป็นสมบัติเครื่องส่งเสริมจิตใจให้รับความสะดวกไปตามตามเท่านั้นแต่ไม่ใช่จะสามารถให้จิตมีความสุขความสบายตลอดกาลไปได้ ไม่เหมือนกับกจิตสร้างตตวเองขึ้นมาด้วยการอบอรมมีการภาวนาเป็นต้นการสร้างตนของตนขึ้นมาให้สมบูรณ์นับตั้งแต่ขั้นโด่งฝึกอัดสมาธิเป็น ต, ต้นไปเราจะเห็นได้ชัดในมาตฐานของจิตในสาระุสำคัญของจิตขึ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ขนาดที่จิตมีความสงบ ภายในตัวจะสงบมากน้อยเพียงใดก็ตามนั่นเป็นเครื่องหมายเครื่องยืนยันให้เราเห็นได้ชัดว่าสิ่งอัศจักรนี้มีอยู่ภายในใจนี้เท่านั้นเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นจากหลักภาวนาแล้วไอ้เรื่องความพยันมั่นเทียงความอุตสาหพยายามนั้นหากเป็นมาเองเพราะจิตใจได้หนักเกินหรือจิตใจมี ความดุดบนกับธรรมที่ปรากฏขึ้นมาได้จากความสงบนั้นแม้จะเพียงขางนาดเดียวกว็าตาแจะทำให้เรามีความอุตสาห์พยายามมากขึ้นเป็นกองทอีอันดับต่อไปก็พยายามฝึกผลอบรมจิตของตนให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยเป็นมาแล้วโดยลำดับได้เมื่อรับการอบรมอยู่โดยสม่าเสม อ, สมอจะมีความสงบ่มเย็น อันเป็นผลขึ้นมาโดยความสม่ำเสมอเช่นกันจิตเมื่อมีรากฐานคือสร้างฐานขังตบนให้มีความมั่นคงขึ้นภายในตัวเองแล้วเราจะประกอบหน้าที่การงานอันใดก็ตามย่อมจะทำได้ด้วยความเป็นสุขทําได้ด้วยด้วยความจดจ่อทําได้ตึงการต็น ง, งานจริงๆ ไม่เ พ, พื่อพาดไม่ขุนขันขณาที่ย้อนเข้ามาพิจารณาจิตใจหรือมาทราบภายนจิตใจของตนก็ปรากฏเป็นความสงบกลมเย็นเป็นเครื่องต้อนรับอยู่แล้วใจก็สบายเฉพาะอย่างยิ่งนักภาวนาที่ไม่ต้องทําหน้าที่การงานอันใดคือนักบวชเป็นผู้ควรอย่างยิ่งแก่สมาธิปัญญาภาวนานี่แหละคือหอนทางของสมณนะ ผลทางผลทางของนบวชและกิจการงานอันสําคัญของนบวชผู้มุ่งก็ามาเพื่อสรัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ามาสัง่งสมคุณงามความดีมีศีลสมาธิเป็นต้นขึ้นภายในใจิตใจของตนให้เจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากและเป็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่เป็นความเจริญรุ่งเรืองอันแน่นอน นี่ได้อธิบายถึงเรื่องสมาธิคือความสงบภายในใจและพยายามสร้างฐานแห่งความสงบให้มั่นคงขึ้นไปด้วยหลักภาวนาดังที่เราเคยปฏิบัติมาและฐานของจิตจะมีความมั่นคงขึ้นเป็นลำดับ จนการเป็นความสงบร่มเย็นทั้งวันทั้งคืนแม้จะคิดอ่าในใจจองหน้าที่การ ง, งานหรือกิตการใดๆไปในขณะนั้นจิตก็ไม่ว้าวุ่นขุ่นโม่มีความสงบเย็นเป็นหลักฐานของใจเรียกว่าใจมีที่พึ่งใจมีที่ยึดมีอที่อาศัยใจมีหลักมีฐานเมื่อเราจะสร้างเรื่องปัญญาสร้างปัญญาขึ้นที่ใจก็สมควร เพราะจิตใจที่มีความอิ่มพอในอารมณ์หรืออิ่มพอในตัวเองมีความสงอบร่มเย็นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราจะคิดอ่านแต่กรองทางปัญญาก็ย่อมเป็นปัญญาไปได้โดยสะดวกสบายเพราะจิตปราศจากความหิวกระหายในอารมณ์ต่างๆมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเราคิดอ่านทางด้านปัญญาก็มองเห็นเหตุเห็นผลได้ทัดการคิดอ่านทางด้านปัญญาจะคิดอ่านกับเรื่องอะไร ก็คือเรื่องของธาตของขันเรื่องความเกิดความตายความสลายความพัดพลากจากกันทั้งสัตว์และทั้งขานทั้งภายนอกภายในนี่แหละเข้า ม, มาเทียบเทียงกันให้โดนได้สัตว์ได้ส่วนแบบความอันนี้จังคือความไม่เที่ยงเราอยู่กับความไม่เที่ยงจะหาความเที่ยงมาแต่ที่ไหนนั่งอยู่ก็ไม่เที่ยงยืนอยู่ก็ไม่เที่ยงเดินอยู่ก็แปรนอนอยู่ก็แปร รับทานอาหารอยู่ก็แปรแม้ที่สุดกำลังหลับอยู่ก็แปรนี่ใจความแปรปวนเต็มท่าเต็มขันเต็มอิจฉะของเราเราจะเป็นที่ไว้ใจที่ตรงไหนนี่การพิจารณาทางด้านปัญญ า, าเรื่องความทุกข์ตรงไหนที่ไม่ใช่ทุกข์ขังไม่มีมีแต่ทุกข์ขังทั้งนั้นแหละเต็ตายเต็จิตใจของเราเราแยกพิจารณาให้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้ พิจารณาแยกธาตุดูแยกรูปก่อนพิจารณาดูให้ดีตั้งแต่ภายนอกเข้าไปสู่ภายในแยกส่วนแบ่งส่วนให้เห็นทั้งความเป็นอยู่ความตั้งอยู่และความสลายไปหรือตั้งแต่การเริ่วมแรกความผสมของธาตุขันก็มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายนำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีใจเป็นผู้รับผิดชอบเข้าไปอัพเพื่อจินอังไงใในธาตุในขันอยู่ ดึงมีความรู้แบบแตกต่างๆคิดกันกับต้นไม้ผึกกันกับดินหญ้าอากาศทั้งหลายเพราะอันนี้มีความรู้คลองตัวอยู่อันนี้แหละพาให้จัตโลกทั้งหลายได้ให้ชื่อให้นามว่าเป็นจัดเป็นบุคคลก็เพราใจตรงนี้แต่เมื่อสภาพอันนี้สลายตัวลงไปแล้วมันก็หมดความหมายดินที่มารวมกันเข้าเป็น ร่างกายและนี้ก็ต้องสลายตัวลงไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟไปตามสภาพเดิมของเขาไม่สูญหายไปไหนจิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติของตัวเองโดยโดยลำพังก็ต้องเป็นจิตอยู่เช่นนั้นแต่ถ้าจิตนี้ได้สร้างคุณงามความดีไว้มากน้อยเพียงใดก็จะอาศัยคุณงามความดีนั่นแหลไปประกอบกำเนิดเกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายนี้เป็นเท้บุตรเจวราขึ้นมาใน พบชาติต่อไปไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมีอํานาจเหนือกรรมนี้และเหนือผลแห่งกรรมนี้มาสร้างบุคคลให้เป็นไปได้ต่างๆนอกจากกร ร, รมที่ตนทําไว้แล้วแล้วแสดงผลขึ้นมาในลักษณะต่างๆกันเท่านั้นเมื่อร่างกายก็เป็นเครื่องแปลสภาพเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนถาวร อ, อยู่เต็มตัวของเราแล้ว ก็เท่ากับมีเป็นไฟเผาจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราจะพิจารณาเช่นไรเึงจะถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานั้นเป็นของเขาจะได้การถอนอุปาทานต้องถอนด้วยปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงทั้งส่วนที่ อันนี้จังทั้งทุกขังทั้งอาตาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็าตามเมื่อเห็นชัดแล้วก็สามารถที่จะกระจายทั่วถึงกันไปในใตรักทั้งสามนี้เพราะเป็นธรรมเกี่ยวเนื่องกันอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายของเรานี้ก็ค่อยหมดไปเองเวทนาสัญญาสังขานยินยาณแต่และอย่างอันเรียกว่าขันก็สามารถที่จะทราบได้ตามความเป็นจริงของเขา เพราะขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างนี้เป็นสภาพแต่ละอย่างละอย่างหรือเป็นอย่างหนึ่งต่างหากจากใจใจแท้มีแต่รู้เท่านั้นรู้โดยหลักธรรมชาติแต่ไม่สามารถที่จะรู้ดีรู้ชั่วได้ถ้าปราศจากสติกับปัญญาเสีย เพราะฉะนั้นสติปัญญาแม้จะเกิดขึ้นจากใจก็ตามแต่เโดยก็เป็นเครื่องที่กันกรองจิตใจหรือเป็นเครื่องรักษาปกครองจิตใจให้มีความแข็งแกร่งปลอดภัยไปได้จากสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายท่านจึงการสอนให้อบรมสติปัญญาให้มีกําลังขึ้นเพื่อจะได้กําจัดปัดเตาสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ภายในได้ไดแก่กิเลสอาสวะทั้งหลายมีท่านเรียกว่าปัญญา พิจารณาอย่างนี้เลท น, นาจะเป็นสุกขก็าตามเป็นทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามมันก็เป็นเลยธนาเป็นการผีนั่นเองส้างขึ้นแล้วไม่ว่าจุขทุกข์เฉยๆไม่ว่าทางร่างกายและจิตใจมีความแปรสภาพได้เช่นเดียวกันกับกองรูปสัญญาคือความจําได้หมายรู้จะจําได้มากมายเพียงไรก็หลงไปลืมไปต้องการก็คิดขึ้นมาจำํำจะไหม่สังขารคือความปรุงความคิ ด, คดต่างๆก็มี การเกิดขึ้นและดับไปหาสาระแก่นสามที่ไหนไม่ได้วิญญาณความรับรู้ในอวิชนาทั้งหกภายในและภายนอกมากระทบสัมผัสกันเข้าก็เกิดความรู้ตามขณะที่สิ่งนั้นๆเข้ามาสัมผัสแล้วก็ดับไปดับไปหาสาระแก่นสามที่ไหนไม่ได้นี่ท่านเรียกว่าวิญญาณวิญญาณและกันห้ากับมโนกับปฏิสุทวิญญาณกิงต่างกันคาว่าปฏิสุทวิญญาณนั้นหมายถึงจิตล้วน วัญญาณในกัรห้านี้ต้องอาศัยสิ่งที่มาสัมผัสจิตตาเร็จเป็นความรับภาพขึ้นมาแล้วกระดับาจกลางสิงนั้นได้ผ่านไปพิจารณาแยกแยะออกให้เห็นตามความจริงด้วย ส, ยสติปัญญามีศรัทธาความเพียงเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเราก็จะให้เล่นลอดออกจากสิ่งทั้งหลายที่เคยกดท่วงตนเองนั้นออกมาได้โดยลำหดับ เพราะอำนาจของปัญญาการพิจารณาเหล่านี้เรียกว่าการถอดถอนการฝ้าปันสิ่งที่ห้่มหอบจิดใจของตนซึ่งลวนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งจบปบกโสมมอันพาให้สัตว์โลกทั้งหลายจมอยู่ในวะตะัตจคือความหมุนเวียนแฉนแจงนี้ให้ออกได้เป็นลำดับลำดับ พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านปฏิบัติดังเนินอย่างนี้ท่านจึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่แหละคือทางที่จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานและนี่แหละคือวิธีการทําลายกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ภายใน จ, ใจิตใจ ไม่ว่าจะครั้งพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเราได้ดำเนินตามหลักธรรมอันเป็นมัชฌิมาธรรมที่พระพุทธเจ้าประทาไนไม่นี้โดยถูกต้องแล้วผลเราจะพึงเป็นผู้ได้รับมีสิทธิ์ที่ได้รับเช่นเดียวกันกับสมัยพุทธกาลไม่มีทางสงสัยการพิจารณาทางด้านปัญญาจริงเป็นจริงสัมพันธ์ที่เราจะได้เห็นกิเลสตก ออกไปจากจิตใจโดยลาดับลาดับในขณะที่พิจารณารู้แจ้งหจริงในกิเลสประเภทนั้นๆหรือในความขัดข้องประเภทนั้นๆถอดถอนออกไปได้โดยลำดับสติตามธรรมดาก็ล้มลุกทุกครานลเลื่นได้บ้างเห่อไปบ้างแต่พยายามตั้งกันอยู่เสมออบรมกันอยู่เสมอสติก็ย่อมมีความสุขเนื่องกันไปนได้โดยลาดับ ปัญญาก็มีความสืบต่อต่อขานอานออกไปเรื่อยๆตั้งแต่วงแคบจนกระทั่งถึงวงกว้างตั้งแต่ส่วนหยากบจงถึงส่วนละเอียดเมื่อสติปัญญาก็มีความแหลมคมเคล็ดปัญหาอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจแจะละเอียดมากน้อยเพียงใรก็ตามอกอบพ้นวิสัยของสติปัญญานี้ไปไม่ได้เพราะสติปัญญานี้เป็นอาวุธที่ทำสมัยที่สุดตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน คำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรที่ท่านแสดงไว้ในมรรคแปนั้นจะหมายถึงอะไรถ้าหมาหมายถึงสติปัญญาสัมมาสติก็มีอยู่ในมรรคแปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรก็หมายถึงเรื่องของปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกทางเดินของตนเพื่อทมพ้นจากภัยทั้งหลายได้แกจกพิเันหาสาะอันเป็นเหมาะเกิดในความเกิดแจกเกิดตายทั้งหลายฉะนั้นเมื่อเรา มีความสามารถมีความมุสาพยายามบำรุงสติปัญญาให้เกิดขึ้นพิจารณาเรื่องถาบเรื่องขันที่เกิดขึ้นดับไปและก่อควรอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้โดยสม่ำเสมอสึ่งเหล่นี้ก็จะค่อยหมดไปโดยลํหดับลหดับผลสุด ท, ท้ายจิตใจของเราที่หุ้มห่ออยู่ด้วยของตะกบโ ก, กโสมมทั้งหลายก็จะกลายเป็นจิตที่สะอาดผ่องใสขึ้นมาเมื่อ สติปัญญาถึงเต็มขั้นเต็มภูมิที่ท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเต็มภูมิของกิตแล้วกิเลสตัณหาอาสวะจะมีมากน้อยเพียงไรอยู่ภายใน จ, จิตใจนั้นก็ย่อมแตกอาะจายไปได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาความที่สลัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเครื่องหุมห่ออยู่ภายใน จ, จิตใจออกได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละเป็นขณะที่ท่านบรรลุธรรมถ้าเป็น พระุทธเจ้าเขียวว่าตรัสรู้ธรรมเป็นสาวกคอยบอรรลุธรรมความจริงก็รู้ถึงเหตุถึงผลของเกศตัณหาอาสวะกับรู้ถึงเหตุถึงผลของอัตธรรมอันเป็นเครื่องแก้กันตลอดถึงผลอันสุดยอดในแก่ความบริสุทิ์นั่นแหละแตหมายเอาที่ไหนสติปรรัญญาศรัทธาความเพียนเป็นสิ่งที่ควรแก่มนุษย์เรายิ่งกว่าสัตว์ประเภทใดๆเพราะฉะนั้นาศาสนาจึง ประทานไม้เพื่อมนุษย์เราซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุดเรียกว่าพุทธบริษัทได้แก่อุบาสิกาพระพิษุทธสามในนี้ผู้ที่จะทำศาสนาให้เจริญก็คือพวกเราทั้งสี่นี้ผู้ท่ำศาสนาให้เสื่อมสูญหายลงไปจนกระทั่งถึงไม่มีอันใดเหลือก็คือพุทธบริษัทนี้เป็นต้นเหตุก่อนอื่นแล้วย้อนเข้ามา ผู้ที่จะทําตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจก็คือเราผู้ปฏิบัติธรรมนักถือผู้ปัทธ์ศาสนาอยู่เวลานี้ผู้ที่จะทําศาสนาของตนซึ่งมีอยู่ภ า, ายในจิตใจให้เสื่อมโทมลงไปจนกระทั่งทั้งหมดคุณค่าสาระใดๆทั้งสิ้นก็คือเราเป็นผู้สังหารตนเองเราจึงควรทาหนึง่งนั่าสิ่งใดคําว่าความเสื่อม เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการจิตใจเสื่อมย่อมแสดงผลออกมาในทางทุกข์เสมอเสื่อมมากก็ทุกข์มากจเจริญมากก็มีความสุขมากความจเจริญไม่ว่าโลกจะเจริญธรรมจะเจริญ เ, เป็นสิ่งที่เราต้องการยึงควรื่อนุษาพยายามเห็นแจ่ตัวเราเป็นสิ่งสำคัญการเกิดแก่เก็บตายนี้ควรจะเนหนื่อยนายกันได้แล้วเพราะเป็นสิ่งที่ประจากมาทุกเวลาเวลาตั้งใจวันเกิดมาตั้งแต่ตั้งถึงวันนี้ เรียกว่าเราแบกทุกมาตลอดไม่มีเวลาปลงวางได้เลยนอกจากแบกชาแบกขันนั่นเป็นความทุกข์ทรมานเพราะคำบกพร่องของเขาแสดงตัวอยู่เสมอโดยความหิวความกระหายเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆแล้วยังจต้องแบบความทุกข์ทรมานภายในจิตใจก็อํานาจแหงกิเลสทับผมหรืออํานาจแหงกิเลสบีบคั้นทําลายกันอยู่เสมอควรจะเห็นโทษทั้งความทั้งเรื่องของกิเลส ทั้งเรื่องฐานอันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสแล้วํำละคนให้ถึงความปลอดภัยไร้ทุกข์ดางพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้อ้างว่าพุทธังคำมังสร น, นังคชามีมาจงตั้งถึงบัดนี้ท่านเป็นคนประเทศใดเราจึงไดกออกวาจาลือลึกน้อมทาง จ, จิตใจถึงท่านเป็นสสนะ ทุกทางท่านนงคัดฉาณินี่ยไม่ใช่ผู้เกียดข้านอ่อนแอไม่ใช่เป็นผู้โง่เผลอเบาปัญญาไม่ใช่เป็นผู้พู้ข้ามําเพลงเฉยแต่เป็นผู้เอาจริงเอาจังาศาสนาเป็นาศาสนาของท่านผู้ฉลาดพราะพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านก็โ ง, ง, ง่เพราะกิเลสเครื่องทําคนให้โ ง, ง่มันมีอยู่ภายในใจเมื่อกิเลสมีอยู่ภายในใจมากน้อยคนเราก็ต้องโ ง, ง่ตว์ ก, ก็ต้องโ ง, ง่ เมื่อกิเลสหมดไปเพราะอำนาจของสติปัญญาก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นมาเมื่อพระพุทธเจ้าฉลาดด้วยการประพฤติ ธ, ธรรมและค้นทุกไปด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมศาสนาจึงออกจากท่านผู้มีความเฉลียวฉลาดเมื่อนํามาประพฤติปฏิบัติตําหรับพวกเราแล้วทําไมจะทําให้งโง่ลงทุกวันทุกวันสู้กิเลสตัณหาสวะก็ไม่ได้และยิ่งไม่สู้มีแต่จะถอยหลังอยู่เรื่อยๆถอยหลังเข้าคลองลงคลอง คนตกควองก็ไม่น่าดูหนเราเนี่ยตกอะไรเวลานี้เนี่ยตกอยู่ในพ่วงแห่งความมากง่ายโดยไม่ใช้สายตาคือปัญญาพินิจพิจารณาความเป็นอยู่และความเป็นไปของตนจนทำให้อ่อนแอในการประพฤติปฏิบัติอันเป็นสาระคุณแกตนทำมังส้นนังคัตฉามี้ก็หมายถึงทำมันก็เสิ่อมแต่เพราะอย่างยิ่งก็คือ ใจที่เบยสุทิ์พุทโธ ท, ทั้งดวงแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าทำทั้งแท้สงสังขังสันลังคฉามิก็ได้เกดท่านพูดถึงความบริสุทบิมุขท่านิพพานทั้งสามแะตะล น, น, นี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเราจรึงได้กราอ้างมาพุทธังคำมังสังขังสนลังคฉามิอาศัยพึ่งพิงท่านไปจนกว่าจะทรงตัวได้เมื่อเราได้พยายาม บำเพ็ญตนของเราไปอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรแล้วคําว่าพุทธังก็ดีธรรมังก็ดีสังฆังก็ดีแท้บางพัชชามินั้นจะมาได้แก่เราคนนี้ไม่ได้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยได้แก่ผู้ปฏิบัตินั่นแหละพุทธะก็คือผู้ผู้บริสุทธิ์อันเป็นธรรมทั้งแท่งนั่นแหละคําว่าธรรมะก็ธรรมโมปดีโปที่สว่างสวายอยู่ภายในจิตใจของท่านผู้ ทำละใจให้บริสุทธิ์แล้วสังโคก็คือผู้เป็นเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์นี้รวมแล้วรัตนาทั้งสามนั้นรวมอยู่กับเราคนเดียวเราเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติอันล้นค่าไปไหนก็ไปเถิดเมื่อถึงขั้นที่บริสุดทีิมุตตานิพพานแล้วอยู่ไหนไม่เสียท่าเสียตีไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีความวิตกวิจารในความเป็นอยู่ความตายไปหรือจะไปเกิดโลกไหนไม่มีวิตกวิจารเพราะ พร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจนี่แหละท่านเรียกว่าเมืองขอนอกนั้นมีแต่ความหิวความกระหายอยู่ทั้งวันทั้งคืนจะมีเงินเป็นจํานวนล้านล้านก็ไม่พ้นจากความหิวความกระหายความอยากความทะเยอทอยานเพราะความหิวนั่นจะเรื่องของกิเลสเมื่อสิน้นกิเลสแล้วความหิวโหยก็หมดไปมีมากมีน้อยย่อมไม่เป็นทุกข์ไม่ควลกระไว้เพราะวัตถุทั้งหลายที่เป็นเครื่องอาศัยเึรื่งกินไปชั่วคราวเท่านั้น ส่วนหลักใหญ่ที่เราจะพึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆเราได้ให้แล้วภายในจิตใจคือธรรมโมปดีโปกรากโกรกอยู่กับใจเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทุกทิยาบทไม่มีการละตัวเองเป็นอย่างอื่นนั่นท่านผู้นี้แลเป็นอิสระคือท่านผู้เป็นอิสระเป็นท่านผู้ที่หายกัวงวลทุกิ่ทุกอย่าง ชีวิตธาตุขันยังเป็นไปอยู่ก็ดูแลกันไปตามสภาพของมันจนถึงการของมันเมื่อถึงการที่จะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ปล่อยลงตามสภาพสมชื่อสมนามมาได้พิจารณารอบคอบแล้วทั้งความเป็นอยู่และความสลาไปแห่งธาตุขันนี่แหละผลแห่งการศึกษาการประพฤติปฏิบัติเรียนภายในตนเองย่อมทราบเรื่องของตอนเองได้ดี ตลอดถึงพบชาติที่จะได้เกิดในสถานที่ใดบ้างหรือไม่เกิดก็ทราบได้ทันเนื่องจากจิตนี้เป็นผู้แสดงตัวอยู่เสมอทั้งทางความดีและความชั่วความเกิอดอีกหรือไม่เกิอดอีกกิเลสนามางมีอยู่ที่ใจทราบอยู่ที่ใจเพราะสติปัญญาตัดขาดความเปลนน้ำเราได้กระบอบเขา้าเป็นธรรมแท่งเดียวแล้วย่อมถึงตรรสมาทางทางทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นบรรดาท่านผู้ติด หลุดพ้นไปแล้วในทางจิตใจแม้จะมีชีวิตอยู่ก็ต า, ามท่านก็ไม่หวังอะไรทั้งหมดในโลกนี้ท่านปล่อยวางได้จริงไม่ใช่สักแต่ว่าพูดเรียนความปล่อยวางนั้นเรียนได้เต็มปากเป็มใจจำได้คร่องแคล่วไม่ติดไม่อัน้นแต่ความจริงไม่มีอยู่ภายในใจก็ต้องเดือดร้อนอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสไม่กลัวเรื่องความจา เราจะจําได้มากเพียงลายแบบตู mainland, planting, barking, updating, ้พระไกรปิฎกเต็มบ่าก็ตามหนักทั้งบ่าด้วยหนักทั้งใจที่กิเลสเหยียบย่าทําลายด้วยไม่มีผลอันในถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธญาติตรงสังสอนไว้แล้วกิเลสภายในก็หลุดลอยออกไปหาสิ่งกดทวงให้เกิดความเหยียบร้อนยุ่นไม่ได้อยู่ไหนก็เป็นสุขนั่งอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขไปไหนไหนเป็นสุข ก็ตายก็ตายไปเมื่อถึง ก, กันแล้วก็ได้พิจารณารอบหมดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังตายจะเป็นอะไรความเป็นอยู่จิต ก, ก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากธาตุขันที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะจิตเป็นผู้เพียงพอแล้วจึงเรียกว่าเมืองขอได้แต่ความหิวความทั้งหายอันเป็นกิเลสนั้นจะสลายตัวไปหมดแล้วจากใจใจจึงตัดาศจากความหิวความทั้งหาย เวลาธาตุขันทนไม่ได้ตายไปใจก็ไม่ได้มีความเสียหายไปด้วยธาตุโดยขันเพราะนั้นเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นเรื่องดินน้ําลมไฟใจเป็นเรื่องของใจความบริสุทธิ์ดูทีใ่ใจใจจึงไม่มีวิตกวิจารณ์มีแลที่ท่านเรียกว่าอากาลิกโกไม่มีการไม่มีสมัยคืออาการนิกาจิตอาการนิกธรรมท่านพูดถือเขา้าถุงจิตอันบริสุทธิ์แล้วเรียกว่าเป็นอาการนิการจิต เป็นจิตที่ทรงตัวอยู่ด้วยความสม่ำเสมอถ้าจะเรียกควา น, นิพพานความนิแลนิพพานเราจะทหารนิพพานที่ไหนเมื่อได้เราได้เจอธรรมคือเมืองพรนี้นี่แล้วไม่หิ้มโหยคอยจะไปถามหรืออยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานความอยากนั้นเป็นความยิ้โหยเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อความยิ้โหยคือกิเลสนั้นจะสิ้นไปจากใจแล้วย่อมปราศจากความอยากไม่มีสิ่งใดมารบกวนเขาย่อมมีความสุขเท่านั้นเอง การแสดงธรรมท่านทั้งหลายฟังก็เกลื่อจะได้เป็นคติเครื่องเกินใจว่าธรรมะธรรมยองสอนธรรมพระพุทธเจ้านั้นพร้อมอยู่เสมอที่จะทรงคุณค่าแก่บุคคลผู้หวังคุณค่าในตนเองแล้วประพฤติปฏิบัติตนโดยความขยันหมั่นเพียรโดยความเชื่ออดเชื่อธรรมเชื่อบุญเชื่อกรรมซึ่งมีอยู่กับเราผู้ทำกรรมอยู่โดยสม่ําเสมอไม่มีใครในโลกที่จะปฏิเสธกรรมได้ว่าไม่ทํา แม้แต่สัตว์เขาก็ทํากรรมเช่นเดียวกันแต่สัตว์เขาไม่ทราบความหมายแล้วเขาทรรํากรรมดีหรือกรรมชั่วจะไปนรกหรือไปสวรรค์ส่วนมนุษย์เรานี่ทราบด้วยกันทุกคนทําดีก็ทราบทําชั่วก็ทราบสุขเกิดขึ้นก็ทราบทุกข์เกิดขึ้นก็ทราบเราเป็นผู้ฉลาดยิ่งปร่าสัตว์คือเรียกว่ากรรมที่มนุษย์ทํากันอยู่เนี่ยเดินไปก็เรียกว่ากรรมคือการกระทําคิดออก แต่และขณะขณะของกิจจะคิดทางดีทางชั่วเขาตามก็เรียกว่าทำกรรมการทำกรรมอยู่เสมอผลจะไม่มีได้อย่างไรต้องเป็นความดีความชั่วความสุขความทุกข์ขปรากฏอยู่กับการกระทํานั้นโดยสม่ําเสมอท่านเรียกนิบัาินี่ใครจะมาลบล้างมาได้ทําให้ลบล้างาการกระทําเสียอย่างเดียวถ้าว่าลบล้างาการกระทำมีเสียได้โดยสิ้นเชิงและจิตก็เป็นผู้พ้นแล้ว จากอำนาจแห่งกรรมถึงกิริยาของกิๆๆๆตทิศตึงออกไปก็เป็นขันธ์นล้วนๆไม่เป็นพิศเป็นทายต่อจิตใจเลยท่านผู้นี้แหละเป็นผู้หมดกรรมเป็นผู้ไม่สร้างกรรมไม่สร้างกรรมแล้วก็ไม่ต้องสร้างความเกิดความเกิดก็ไม่มีความแก่จะมาจากไหนความตายจะมาจากไหนความทุกข์ความลําบากลําพานอะไรจะมาจากไหนมาจากเครื่องของกิเลสทั้งนั้นเรายังไม่เห็นกิเลสก็เป็นทายอยู่แล้วเราแค่ต้องจมไปกับกิเลสนี้เรื่อยไปก็คือการ คือความจนกับความฟุ้งนี้เลื่อยไปเท่า น, นั้นจุดหมายปลาทางก็ไม่มีโดยล่อนลอนไม่ทราบ จ, จะไปพบไหนชาติไใดปฏิเสธว่าพบไม่มีชาติมีตายแล้วไม่ได้เกิดก็ตามผู้ที่ปฏิเสธนั้นแลคือผู้เกิดผู้ตายไม่ใช่คําพูดนั้นเป็นผู้จะเกิดแต่การแต่เป็นเรื่องของใจคือเป็นเรื่องความจริงกรรมเชื่อแห่งกรรมมีอยู่ภายในใจเกิดวันนั่นงคํา ตายอยู่ตลอดไปในโลกนี้ไม่แปาก จ, จากป่าชาติเพราะป่าตอกมีปาชาติคือความตายเป้าปต้องหน่งนี่เป็นหลักธรรมชาติซึ่งใครจะลบล้างไม่ได้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ที่ได้มากลัสรู้และสอนธรรมเขสอนตามหลักธรรมชาติไม่ใช่มาลบล้างสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นความจริงทั้งหลายให้สูญสลายไปจากโลกนี้เลยท่า น, นเราเป็นผู้เชื่อพระพุทธศาสนาก็ต้องเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อกา ร, รกระทํำของเรา ว่าสิ่งใดที่ควรทําสิ่งใดไม่ควรทวําก็ให้พยายามระงับพยายามละพยายามส่งเสริมสิ่งที่เป็นประโยชน์และลดละสิ่งที่เป็นโทษเราก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราเราจะไปหาฤทธิ์พยายามที่ไหนวันนั้นดีวันนี้จงวันนั้นฟูวันนั้นเป็นฤทธิ์นั้นวันนี้เป็นฤทธิ์นี้มันฤทธิ์อยู่ที่ไหนมันฤทธิ์อยู่ที่การกระทําของคน ถ้าเราดีดีอยู่แล้วอะไรจะมาทําให้เราชั้วเสียหายเป็นไม่ได้นอกเหนือจากกรรมของเราผู้ทํานี้เท่านั้นะนั้นในอวาสาแนแห่างทำนี้จึงขอฝากธรรมานี้ไว้กับท่านพุทธบริษัททัง้งหลายได้นำไปพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตนในฐานะของเราที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์อันหนึ่งซึ่งเกิดได้ยากตําหรับผู้ไม่มีวาสนาไม่ได้เกิดเลยเราเห็นไหมเห่าหอนอยู่เต็มวัดเต็มบานนี่นั่นคือหมาไม่ใช่มนุษย์ แล้คเขาเป็นอย่างไรม้ง่งเรามองดูแล้วน่าสุดสังเวศแต่เขาเป็นศาสตรก็ต้องทงสารเขาถ้าเราเป็นมนุษย์ความรู้สึกของเราจะเป็นไปแบบนั้นแล้วดูไม่ได้เลยยิ่งโกาขาอะไรเขาไปปากปะเขาข้ามหนูดูไม่ได้นี่ยิ่งร้ายกว่านั้นอีกจึงควรไม่จึงไม่ควรทำสิ่งที่ดูไม่ได้ให้พยายามทำแต่สิ่งที่ดีงาม เชื่อพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยดีกว่าเชื่อสิ่งทั้งหลายเชื่อใครอะไรทั้งหมดตลอดถึงเชื่อเราตามรทำนาของเราที่ชอบเห็นแก่ตัวดีไม่ดีก็าตามถ้าเราชอบสิ่งไหนสิ่งนั้นต้องถือว่าดีว่าดีทั้งทั้งที่เป็นโทษแต่ตนเองนะี่เป็นการ ก, การะเพาะสะเลือนแก่ผู้อื่นถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเดินเป็นธรรมจมั่งเสมอวางตนได้โดยด้วยดี ในอวาสาแนแห่งการแสดงธรรมนี้จึงขอบุญญาเภตตาองค์สมเด็จพระปูมีพระภาคเจ้าพร้อมต้อ ง, งกระทมและประสงค์เมาคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุกกายสบายใจและบำเพ็ญไปเต็มไปด้วยความสะดวกสบายจึงขอชุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้